บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งโศรสะปัญหาคือปัญหาของมนุษย์สิบคนซึ่งเป็นสิทธิของพราหมณ์ภาบรีที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั้นมาถึงปัญหาของโพสารมานุษย์ ท่านผู้นี้ได้กล่าวเป็นการประรบแสดงความยอมรับนับถือในสถานะของพระพุทธเจ้าซึ่งก็หมายความว่าท่านมีศรัทธาอย่างลงในพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองนั่นกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวทรงตัดความสงสัยทั้งปวงได้แล้วทรงรู้ซึ่งเรื่องในอดีต ข้าปรุงทั้งหลายได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะต้องการจะถามปัญหาจากข้อความเหล่านี้เป็นการประกาศตนเองคือเป้าหมายของตนเองและเป็นการยอมรับพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งการยอมรับพระคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่า เรามองเห็นจุดใดจุดหนึ่งเด่นชัดแล้วจะกล่าวประลบคุณส่วนนั้นเป็นประการสำคัญด้านเรากล่าวยกย่องบุคคลทั้งหลายกล่าวยกย่องในคุณที่เด่นชัดจนกล่าวถึงเมตตาธรรมของบุคคลบางคนกล่าวถึงความฉลาดของบุคคลบางคนกล่าวถึงความสุภาพเรียบร้อยของบุคคลบางคน ทำไมจึงกล่าวแตกต่างกันเพราะคุณความดีที่ปรากฏเด่นชัดภายในจิตสำนึกของเราได้เรายอมรับนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นการกล่าวถึงความดีท่านมนุษย์ทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างนั้นท่านจะมาปราบรพระคุณของพระพุทธเจ้าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่าที่ท่านเห็นในขณะนั้น จะกล่าวเป็นการอารามพบะบดุลประกาศถึงศรัทธาที่ตนมีอยู่ในพระพุทธเจา้าจะบอกวัตถุประสงค์ในการมาให้ทรงทราบเพราะในตอนแรกของปัญหาทุกทุกท่านจึงไม่มีคำถามแต่จะเป็นการประกาศความเชื่อและประกาศเจตจำนงของตนเท่านั้นในประคุณที่ท่านแสดงไว้ สประการนี้ก็เน้นไปในถ้าจะมองในลักษณะรวมๆก็คือเน้นไปในเรื่องของพระบริสุทธิ์คุณกับพระปัญญาคุณอาการที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงหวันไหวก็ดีอาการที่พระพเจ้าไม่ทรงหวันไหวนั้นเป็นการแสดงถึงพระบริสุทธิ์คุณการที่ทรงขจัดความสงสัยต่างๆได้ก็ดี การรู้แจ้งการในอดีตก็ดีเป็นการแสดงถึงประปัญญาคุณซึ่งก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ท่านมองได้ชัดในกรณีนี้แต่ตามหลักของการปฏิบัติแล้วคนที่มีปัญญาจิตใจจะ บ, บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ก็จะมีความกรุณาต่อบุคคลอื่น ด้นในช่วงหลังท่านจึงบอกความประสงค์ของพวกท่านว่ามาเพื่อกราบทูลถามปัญหาสัมนวนบาลีว่ามีความต้องการด้วยปัญหาคือต้องการจะถามด้วยต้องการได้รับคำตอบด้วยและท่านเองก็มีความเชื่อมั่นในพระหมหากรุณาของพระพุทธเจ้าว่าจะโปรดประทานอาธิบายเกี่ยวกับคำถามนั้นๆแก่ท่าน พระพุทธเจ้านั้นบางครั้งเรายกจ้องว่าเป็นผู้คงที่คือจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ภายนอกและภายในอารมณ์ภายนอกที่ผ่านมาไม่ว่าจะหยาบละเอียดเรวยบรณีนนิดไกลๆคือก่อให้เกิดความรักความชังแก่บุคคลทั้งหลายก็ตามแต่สําหรับพระพุทธเจ้าแล้วทรงคงที่คือไม่ทรงหวั่นไหวไปตามอํานาจของอารมณ์ดอานั้น พระไทยจึงไม่ตกไปทั้งความรักและความจังถึงความสงสัยนั้นบ้างตามหลักความเป็นจริงโดยหลักของการปฏิบัติ่ะมุ่งที่จะขจัดความเครือบแคลงสงสัยนั่นเองโลกเรานั้นมีแต่เครื่องหมายคาถามอยู่ตลอดในชีวิตของคนแต่ละคนก็อยู่ด้วยเครื่องหมายคาถาม แม้แต่วันนี้จะรับประทานอาหารอะไรจะปรุงอะไรเป็นอาหารจะแต่งเสื้อผ้าชุดไหนไปเป็นต้นมันก็มีเครื่องหมายคําถามที่จะต้องสแสวงหาคําตอบอยู่ด้วยตราบใดที่บุคคลยังไม่เข้าถึงความเป็นทิฏฐิสัมปันนบุคคลคือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความเห็นแล้วความเครียดแคลงสงสัยก็จะต้องมีอยู่ร่ำไปส่วนจะมีมากหรือมีน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง พู้เจ้าทรงตัดความสงสัยในสิ่งทั้งปวงออกไปได้อย่างสิ้นเชิงจึงไม่มีอะไรที่ไม่ทรงรู้และเป็นความรู้ที่หยุดการแสวงหาคือไม่มีอะไรที่เกินเลยไปจากนั้นเพียงแต่ว่ารู้แล้วจะนํามาแสดงหรือไม่แสดงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคำว่าสัพพัญยูจึงแปลว่ารู้ทุกอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทรงสอนทุกอย่าง เพาสิ่งที่นำมาสั่งสอนดันอย่างที่ทรงอุปมาให้ภิกษุทั้งหลายเทียบเคียงเอาระหว่างใบไม้ในกนรรหัดของพระองค์กับระหว่างใบไม้ในป่าประดูลายทั้งป่าว่าอะไรจะมากกว่ากันซึ่งเป็นคำถามที่ตอบง่ายเพาใบไม้ในกำมือนั้นก็นิดเดียวแต่ใบไม้ในป่านั้นมากมายถ้าเกินนับกันไม่ไหว เราทรงแสดงให้เห็นถึงพระสัพพัญยุตยานหรือความเป็นสัพพัญญูของพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์รู้นั้นมีป้าเกเพีนแต่สิ่งที่นํามาสอนก็สอนเฉพาะจําเป็นที่จะต้องสอนแวดบงว่าคาสอนจึงอยู่ที่ในเรื่องของทุกเหตุเกิดของทุกความดับทุกขและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกท่านั้นจะไม่สอนนอกไปจากนั้นพระคาสอนเราอื่น ยิ่งไกลตัวออกไปทุกทีจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ผู้ฟังคำสอนจึงมีอยู่เพียงเล็กน้อยเพียงใบไม้ในกำมือเดียวเท่านั้นเองทั้งๆ ท, ที่เรามีความรู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้สอนทุกอย่างประการต่อไปก็คือทรงรู้การที่เป็นอดีตอย่างนี้ท่านเรียกเป็นประยานเรียกอยู่หลายชื่อหลายแหง่ง บางครั้งเราเรียกว่าปุเพนิวาสารติยานคือเรื่องขัดพลาดที่อยู่ซึ่งตนเคยเกิดเคยอยู่มากในการก่อนแต่ถ้าเรียกเป็นชุดอย่างนี้ท่านเรียกว่าอาติตังสยานอนาคตังสยานปัจจุั น, นังสยานอาติตังสยานก็คือยานที่เป็นเหตุให้ปรุงรู้ในเรื่องราวของอดีตเป็นประวัติเป็นวิถีชีวิต อันเวกไหวในสังสารวัตรของพระองค์และของบุคคลทั้งหลายอนาคตั่งสยานรู้ในการอนาคตว่าเมื่อทําอย่างนี้คนนี้จะไปเป็นอย่างนั้นเป็นต้นเจนทรงพยากรณ์บุคคลว่าคนนี้ตายไปเกิดนรกคนนั้นตายไปเกิดในสุกติคนนั้นตายไปเกิดในพรหมโลกเพราะผลกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงก็เป็นอนาคตั่งสยาน และบางครั้งก็เป็นการความรู้ในอนาคตที่ใกล้ๆคือพูดกันหลังจากตายแต่บางครั้งก็พูดกันไว้ก่อนจึงแสดงว่าช่วงของนากตังสยานนั้นไกลและปัจจุบันนางสยานคือญาณทิรู้ในส่วนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นธรรมะเป็นเหตุการณ์หรือเป็นคําถามอะไรก็ตามก็ทรงรู้ทันทีในขณะนั้นๆ นั่นก็คือความสมบูรณ์ในพระคุณของพระพุทธเจ้าแต่ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทหรือพุทธสาวกคือผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือบริษัทของพระพุทธเจ้าครามวปฏิบัติในทางาศาสนาก็มุ่งเข้าสู่เป้าเหล่านี้เป้าแรกก็คือเป้าวความไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลาย ตามปกติแล้วจิตใจของบุคคล น, นั้นจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้ น, น, น, น, นลงลงไปกับอารมณ์ซึ่งก่อนนี้ถ้าหากว่าท่านได้เคยอ่านคำสอนในนิกายเซนซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาสายมหายานมีอะไรคงผมให้คิดเป็นนั้นมากเช่นว่าถามว่าลมพัดไม้ใบไม้ไหวไหม ท่านบอกลมก็ไม่พัดใบไม้ก็ไม่ไหวแต่ว่าใจคนมันไหวเองใจคนพัดพันเองไปมาใจใจไหวเองเึื่อเราจะมองเห็นว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยทำไมคนจะต้องสุขจะต้องทุกข์จะต้องรักจะต้องจังกับสิ่งเหล่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นที่จริงแกก็เป็นไปาตามเหตุปัจจัยของแกแต่บุคคลเมื่อใจไปผูกไวไอความหวั่นไหวเพราะรักเพราะชังก็ไม่เกิดขึ้นแต่ความรักความชังนั้นก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสต้นในแนวของกา ร, รปฏิบัติก็ทรงสอนไว้ในชัดต่างๆก็เพื่อมุ่งให้บุคคลมีความหวั่นไหวน้อยลง เพราะถ้าหวั่นไหวมากอิริยาบถก็จะไม่ปกติให้ลองสังเกตว่าสภาพของบุคคลที่เกิดตกใจกลัวจะมีความหวั่นไหวทางใจสูงจนหวาดผวาตื่นรหนุกจนถึงก็แตกตื่นถ้าเรามองย้อนกลับไปที่จิตใจแสดงว่าจิตใจผิดปกติไปบ้าง ก็ทำให้อาการเคลื่อนไหวต่างๆสับสนไปหมดและอาจจะเหยียบกันตายเองได้นั่นคื อ, อาการหยาบๆที่มองเห็นได้แต่ถ้าบุคคลไม่มีความกลัวอยู่ภายในใจความเคลื่อนไหวก็จะเป็นไปโดยปกติเช่นพระพุทธเจ้าที่ถูกโจรองค์ริมานไล่ฟันก็เสด็จพุทธดำเนินไปโดยปกติ ถูกช้างนาราคิรีวิ่งมาจะแทงก็เสด็จพุทธดำเนินไปโดยปกติเพราะอรเพราะพระไทยไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไปวเนื้ออำนาจของความกลัวบางครั้งก็หวั่นไหวไปด้วยอำนาจของความชังหรือความโกรธอะไรก็ตามที่จริงก็เริ่มจากใจ ใ, ใจถูกปรุงด้วยความโกรธใจก็เริ่มหวั่นไหว และในที่สุดกายก็ไหววจา ก, ก็ไหวก็แล้วแต่ใจะอะไรจะไหวก่อนถ้าปากไหวปากก็ไหวก่อนถ้ามือไหวมือก็ไหวก่อนจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากใจที่ไหวไหวเพราะถูกอะไรโยกก็ถูกความโกรธมันโยกความไม่พอใจมันโยกให้ไหวแต่นั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้บุคคลทําใจให้เหมือนกับเสาเขื่น คือเสาตะลุงขนาดใหญ่ที่ก็ปักไว้ริมท่าน้ำคือใครจะไปโยกคลอนยังไงแกก็ไม่หวั่นไปแม้แต่เขาจะทิ้งของสกรปรกลงไปก็ไม่หวั่นไปล้างด้วยน้ำจะสะอาดก็ไม่หวั่นไปและลักษณะไม่หวั่นไหวเหล่านี้ตรงอุปมาหลายเรื่องหลายตอนบางครั้งก็เหมือนกระดิบบางครั้งก็เหมือนกับภูเขา สีลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่หวั่นไหวเพราะแผ่นดินไหว แ, แผ่นดินไหวนั่นหินมันก็เป็นภูเขาด้วยภูเขามันก็เป็นแผ่นดินด้วยบางก็ต้องไหวต่างไปเป็นการเชื่อเห็นว่าถ้าจิตใจเราไม่มีรักเราก็ไม่มีชังถ้าเราไม่มีชังเราก็ไม่มีรัก ความรักกับชังนั้นเป็นการตีกลับไปกลับมากันของกิเลสทั้งสองฝ่ายวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความรักถ้าเป็นไปตามที่ตัวต้องการก็เป็นความรักที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถตอบสนองความรักได้มันก็กลายเป็นความชางังในขณะที่ตอบสนองความรักอยู่ี่มีการเปลี่ยนแปลงปรรไปก็เกิดเป็นความศกตกลงว่าจิตมันก็วิ่งวานไหวไปกับอารมณ์เหล่านี้ มีความรักมีความชังมีความโศกมีความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจยความกับแค่นใจต่างๆเกิดมาจากใจที่ถูกปรุงด้วยคิดเหตุการ์ทลดพวกนี้ให้เบาบางลงไปได้อาการบั่นไหวทั้งทางกายและทางจิตก็จะเบาตามไปด้วยซึ่งวันนี้ลองสังเกตว่าแม้แต่ขณะนั่งปฏิบัตินั่งฟังธรรมะ หรือปฏิบัติภารกิจการงานถ้าบุคคลมีจิตใจอ่อนแอแล้วจะนั่งลุกติกไม่นิ่งแสดงถึงหวั่นไหวไปด้วยเรื่องเล็กเล็กเร็กน้อยออาการปวดอาการเมื่อนี้นิดหน่อยแต่ถ้าเรามองให้ซึ้งลงไปแล้วว่าภายในใจนั้นถูกโยกคลอนด้วยความเบื่อหน่ายความเกลียดครั้นจึงไม่สามารถที่จะทรงตัวให้อยู่เรียบเรียบได้นานๆ แต่ถ้าหากว่ามีวิริยะคือความเพียรแกเข้ายึดครองใจววริยะก็จะมีขันติเป็นปัจจัยข้าสนับสนุนให้จจเจ็บปวดรุดร้าวยังไงก็ทนความเพียรก็จะนำให้ก้าวรุดไปในด้านข้างหน้าได้แต่นั้นถ้าเรามองจากวัตถุเป็นที่ตั้งของความหวั่นไปเป็นการมองมาจากภายนอก ก็ทีจริงสิ่งเหล่านั้นแก่ก็เป็นอย่างที่แกเป็นบางครั้งท่านอาจจะแสดงสรุปรวมว่าที่โลกธรรมแปดบางครั้งอาจจะพูดนับย่อยๆไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้ก็แล้วแต่ท่านจะนับแต่เราสังเกตว่าที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคือโลกธรรมทั้ง8ประการเป็นลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุก จะมีในลักษณะอย่างนี้แต่ใจเราจะหวั่นไหวไปทั้งสองประการพอประสบกับส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็หวั่นไหวไปด้วยความโศกความร่าไรราพันธ์เป็นต้นก็แล้วแต่จะแรงขนาดไหนถ้าได้ในส่วนที่น่าปรารถนาก็จะหวั่นไหวไปด้วยความกำหนัดความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีจนถึ ง, ะ ง, งระเริงหลงทั้งพลาด แล้วพวกนี้ถ้าหากว่าใจไม่มั่นคงจะเสียการทรงตัวหมดทั้งสองฝ่ายในความกำาหนัดเพลิดเพลิพนก็อาจจะพลังพลาดมีการเฉลิมฉลองจนตายไปก็มีในลักษณะของความโศ ก, ก็เหมือนกันถ้าปล่อยใจให้เตลิดมันก็ตายได้เนกันเป็นจุดดับของชีวิตได้ทั้งสองฝ่าย ดังนั้นถ้าหวั่นไหวน้อยลงความปกติสุขภายในใจก็จะบังเกิดขึ้นได้ถ้ามองในแง่ของการสรุปเพื่อความเข้าใจเราจะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วจะไม่อึดไปจากเรื่องของนามรูปรูปนามปืิ่งสังเกตว่าเราอาจจะเรียกว่ารูปนามเรียกาารูปมาปก็ได้แต่ถ้าเรียงตามขันห้าเราเรียกว่ารูปนาม ถ้าเรียงตามแนวของปฏิจจสมุปบาทเราเรียกว่านามรูปเจ้าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปดังในโลกมันจึงเป็นเรื่องของนามรูปตัวเป็นที่ตั้งของความหวั่นไหวคือนามรูปที่มาสรุปเป็นลาภยศเสริญสุขคือหน้าปรารถนาหรือเสริมลาภเสริมยศเทียนตาทุกขตาที่จริงลาภนั้น มันก็มีทั้งส่วนที่เป็นรูปและเป็นนามยศก็มีทั้งส่วนที่เป็นรูปเป็นนามสังเสริญที่จริงก็มีลักษณะเป็นรูปคือเสียงนั้นเป็นรูปอย่างหนึ่งในความสุขนั้นก็มีทั้งกายยิกสุขและเจตสิกสุขคือมีทั้งทางกายทางกิตแต่ว่าจิตเป็นตัวสวยความสุขจึงมีจิตเป็นตัวกําหนดมาก แท้จริงเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แกก็เป็นอย่างที่แกเป็นถ้าใจเราไม่หวั่นไหวคือใจเราไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวไม่กาหนดอารมณ์เหล่านั้นโดยอำนาจความคร่ายความปรารถนาความพอใจหรือไม่ใคร่ไม่กระตไม่ปรารถนาไม่น่าพอใจจริ่งเหล่านั้นแกก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามปกติธรรมดาของแกโดยใจของคนจะไม่หวั่นไหวอย่างที่ทรงสแสดงว่า เหมือนแผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวต่อการกระทำของคนคือแม้คนจะทิ้งสองกับกรปรกลงไปก็ไม่หวั่นไหวทิ้งของสะอาดลงไปก็ไม่หวั่นไหวโยนดอกไม้ลงไปก็ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะว่าอเจตนาเป็นเหตุปรุงคิดคิดปรุงให้เกิดความหวั่นไหวนั้นไม่มีแต่ว่าใจคนนั้นยังไงก็มีใจจะทำยังไงจึงจะเสมอ ด้วยแผ่นดินได้ก็คือไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาปรุงไม่นำมาคิดแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้วท่านให้ลดละบันเทาพวกกิเลสไปโดยดําดับละสุดถึงจุดหนึ่งบุคคลก็จะเดินตามรอยบาทพระพุทธเจ้าไปได้คือวันไหวน้อยลงมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในด้านจิตใจเพิ่มมากกิ่งขึ้น ใจตกไปในอำนาจของความรักความชังความหลงน้อยลงมีความไม่ประมาทมีความเสียสละมีความเมตตากรุณามีปัญญาเป็นระดีสองทางชีวิตเพิ่มขึ้นเหลักการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของความขัดกล่าวผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรจะไปเล็งผลเลิศหรือไปรีบเร่งเก็บเกี่ยวผลาทางที่เพิ่งปลูกต้นไม้ไม่กี่วัน ให้สิ่งทั้งหลายแก่เป็นไปตามเหตุปัจจัยปัจจัยอะไรที่จะไปสร้างเสริมขึ้นมาได้ก็สร้างเสริมแม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถที่จะเร่งให้ผลไม้บางชนิดออกลูกนอกฤดูการได้แต่ก็ทําได้แค่เร่งเวลาแต่ว่ากําหนดให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่ตัวต้องการก็เป็นไปไม่ได้ถ้าใจไม่ไปยึดมั่นหรือมั่นในลักษณะนั้นมากเกินไป ความบั่นไหวภายในใจก็น้อยลงคือสรุปว่าตัวการที่เป็นเหตุให้เกิดความบั่นไหวนั้นก็คือพวกกิเลสในแก่ความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเรื่องของความสงสัยที่จริงคนเรานั้นจะถูกขจัดความสงสัยจะถูกขจัดลงไปโดยลำดับจะอย่างรากลึก ภายในจิตได้โดยำดับในชั้นแรกเรามักจะอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องเกาะยึดเหนี่ยวภายในใจไว้ก่อนเพราะปัญหานอกวิสัยนั้นมีมากกว่าปัญหาในวิสัยคือปัญหาที่เราไม่รู้นั้นมีมากกว่าที่เรารู้นี่ทำยังไงจึงจะไม่หลงทาง บุคคลก็ต้องเอาศรัท ธ, ธาไปปลูกไว้ที่พระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกว่าตถากตะโพธิศรัทธามีปัญหาเป็นนันมากแต่ยังเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นอย่างไงแต่ก็มีคนที่รู้ความจริงท่านแสดงเอาไว้เราก็เทียบเคียงกับสิ่งที่ท่านผู้รู้ท่านาแสดงไว้หรือเทียบเคียงกับหลักคำสอนของพุทธเจ้าไอ้ความเครือบแคลงสงสัยก็จะ หย่อนลงไปโดยด้ำดับพอสัมผัสผลของสิ่งเหล่านั้นด้วยใจของตัวเองได้บางก็กระจัดความสงสัยไปได้แต่นั้านบางอย่างเมื่อได้ยินได้ฟังเป็นการเพิ่มความรู้แต่ไม่ใช่กระจัดความสงสัยบางอย่างเพิ่มทั้งความรู้และกระจัดความสงสัย อย่างเช่นท่านสาเสียหเสนามบดีได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงบุคคลผู้ให้ทานในโลกนี้ผู้ให้ทานดีแล้วในโลกนี้จะได้อานิสงส์อย่างไรพระเจ้าทรงสแสดงอานิสงส์ง่ายๆ6ประการคือประการแรกผู้ให้ทานจะเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายสองคนเป็นอ น, นมากกับผอ้หาสมาคมกับผู้ให้ทานสาม เกติคุณดีงามของบุคคลผู้ให้ทานดีแล้วเป็นที่ยอมรับนักื่อของบุคคลทั้งหลาย 4. ผู้ให้ทานจะเข้าไปในสมาคมใดย่อมเป็นผู้มีสง่าราศีองอาจก้าหา์ในสมาคมนั้น 5. ผู้ให้ทานดีแล้วจะไม่หลงทำกาลกิริยาตาย 6. ผู้ให้ทานดีแล้วเมื่อทำกาลกิริยาตายไปสงสัยคำว่า เบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่องเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่านาสีห์เสนาบดีกราบทูลพระพุทธเจ้าในขณะนั้นบอกว่าสีข้อแรกข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ก, ก็ได้รข้าพระองค์สัมผัสมาแล้วด้วยตัวเองในฐานะที่เป็นก็เรียกว่าฐานะบดีคือผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานนิยมชม ช, มชอบการให้ทาน ทั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการขจัดความสงสัยแต่เพียงเพิ่มศรัทธาให้สูงขึ้นเท่านั้นเองเพราะท่านไม่สงสัยแล้วอันในสงสีข้อนั้นแต่หกข้ออีกสองข้อหลังท่านบอกว่าข้อนี้ข้าพระองค์ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเรื่องยังไม่เกิดเพราะงั้นจึงไม่ได้สัมผัสไม่ใช่เราต้องรอทดลองไปก่อนไปตอนตายเราจะหลงไหมเราจะมาเชื่ออันในสงฆ์ของฐานมันเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นสองข้อหลังก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อนกราทำให้จากหลักได้กระจาความเคลือบแคลงสงสัยลงไปได้แต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปในลักษณะที่เลี้ยงไม่โตท่านก็พยายามเพิ่มพูนปัญญาขึ้นไปโดยทำรับจนยืนหยัดได้ในตัวเองในที่สุดจะสามารถที่จะนำบุคคลอื่นให้เกิดรู้ตามเห็นตามได้ อย่างที่พระริจ้าทั้งหลายท่านนาเมื่อบุคคลสามารถขจัดความสงสัยได้ก็ชื่อว่าได้เดินตามหลักของพระพุทเจ้าแต่ที้เรามองกลับไปที่ว่าอีกว่าจะขจัดความสงสัยไปได้นั้นจิตมันปรับไปอยู่ที่ไหนาะคนล ข, ขจัดความสงสัยได้จริงๆต้องเป็นพระโสดาบันที่เรียกว่าไม่ย้อนกลับมาสู่สิ่งที่ตนสงสัยอีก เป็นการอย่างได้ถึงส่วนจริงๆของเรื่องนั้นๆท่านแสดงว่าคนที่จะกระจัดความสงสัยได้จะต้องมีฐานที่ใจคือศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในไตรสิกขาหนึ่งก็สรุปว่าจะต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในห้าเรื่องนี้ในสี่เรื่องนี้ ได้แก่พตัตนาตราและก็ใจสิกขาแต่จริงใจใจสิกขาก็คือธรรมะนั่นเองแต่ถ้าเราพูดในง่ายๆไม่ยากประการนับตัวเลขก็ไม่ต้องนับอีกสามข้อหลังก็ได้นับเฉพาะที่พระพุทธเจ้าเพราะไรเพราะว่าเมื่อเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าได้ก็เป็นอันเชื่อมั่นในพระธรรม พระธรรมเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าใจิีขาก็เป็นคําสอนของพระุทธเจ้าแต่ว่าเชื่อมั่นในพระสงค์เพราะพระสงค์ก็คือผู้ปฏิบัติตามพระธรรมบินัยอันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงค์ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพวนี้จะเกิดตามมาเองจุดใหญ่ใจความจึงเลนไปที่องค์พระพุทธเจ้าและการศัตรูของพระพุทธเจ้าดังนั้นศรัทธาที่บังเกิดขึ้นก็จะทําหน้าที่กระจัดความไม่เชื่อ ข จ, จัดความเครือบแครงสงสัยให้จางลงไปใจของบุคคลก็ได้สัมผัสคุณของพระอริยะหรือเรียกว่าอริยะคุณที่เริ่มต้นจากพร ะ, สะโสดาบันบุคคลเป็นต้นไปที่ท่านสามารถขจัดวิจิกจสัโยศออกไปจากใจได้แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการบูชาอย่างยิ่ง ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป